สักจิตถวายที่หัวส่ ง, สงขนานวันวันเฉลิมเป็นวันสานะถ้าว่าวันตักน้ำเนี่ยันผ่านไปแล้วเพื่อพิธีกรรมต่างๆก็ส่งไปแจกกรุงเท พ, พเหมือนกันหมดทุกจังหวัดแล้วก็ใช้เวลาเดียวกันหมดเหมือนกันตักน้ำผ่านไปแล้ววันพุธที่ที่สี่เปนวันองชัย เดี๋ยวนี้ก็เหลือวันเสก น, น, น้ำวันเสกน้ำวันพุธที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนให้ต้องโจทย์จำได้แก่แล้วยังจได้นั่งโจทย์นี่สาวว่าหนังจีแยวว่าสมุมดมันโจทย์มมตอ่านอ่อนเปล่าผมโจทย์ด้วยมืยอวันที่สิบเอ็ดเป็นวันเสกวันเสกที่นี้เขานี่มลทุกจังห ว, วัดเหมือนกัน ยมุนพระสงฆ์ส่งสำนาศักด์สิทรูปเจริญพระพุทธมนแล้วก็พุทธมนต์บทวิเศษที่มหาเทรามาคุมส่งไปสองบทเริ่มเวลาบ่ายโมงมันสงเวลาบ่ายโมงกับติดสานาฬิกาใช่ไหมเห็นพูดไปเหมือนกันนี่บางคนก็บ่ายโมงคนติดสามนาฬิกาเวลาตรงกันหนึ่งสองเวลาใช่ไหม เริ่มเวลาบ่ายโมงแล้วก็จะเชิญ น, น้ำส ง, งออกจากอุโบสถบ่ายสามโมง <c oughs> นี่เป็นเวลาทางรการนะแต่ต้องทำตามนั้นนี้น้ำศักดิ์สิทธิ์ก ย, ยโสไทยธานีเขาถือเอาแม่น้ำใสแก่กลางแล้วก็ไปทำที่วัดท่าสูงใกล้ๆวัดจันทารามเนี่ย <c oughs> ว่าท่าสงอยู่หลังวัดจันทารามหน่อยเห็เนมงเล็บท่าสงใช่ไหมเห็นไหมวัดจันทารามอยู่กันหน้าคุณมองไม่เห็นนะเห็นตัวหลังเอาไว้ทำที่นั่นก็ไปทําพิธีบวงสรวงตามแบบเฉบับของทะเลกาลตามแบบฉบับของโราณไปแล้วเมื่อวันที่สี่นี่วันที่สิบเอ็ดก็จะเ ส, สดสวดมนต์แล้วก็เสดน้ํา ปัญหามีว่างานประเภทนี้ไม่เคยมีมาเลยในประเทศไทยมีไหมยา้า็ยัมีก่อนฉันเกิดฉันก็ไม่รู้ฉันเลยว่าไม่มีใช่ไหมการทำแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็นึกในใจแะ้วปรึกษาผู้ดูการจังหวัดว่าทำไมเราจะมีส่วนได้เสียน้ำบ้างแต่ว่าในคนโพลืพี่พระเจ้าเพื่อจะอยู่หัวนะแต่ต้องไม่ได้เลยนะ เป็นการตีเสมอเพระรก็สัตว์นมันซวยบอกไม่ถูกแล้วก็มีเรื่องอยู่เรื่องนอนนอนคิดไปเห็นสมท่านหนึ่งที่มีนมามประกาศตรมไตรามาตัวเป็นทองอรารามมาเลยถามว่าใครจะบอกผมประกาศตรมตงานวิธีนี้เอางี้ก็แล้วกันคําสดบนก็ดีคาถาต่างๆที่ว่าไปก็ดี ไม่ได้วิ่งไปตามสายสิงไปในอากาศใช่ไหมท่านบอกว่าในพระโบส่วของเรามีขันน้ธมนตรประจามโบส่วนอีกขันหนึ่งแต่เวลานั้นก็ต้องแมวสายสิงเข้าไปวงเป็นการตีเสมอวิ่หัวนะเพราะวิหัวอยู่จุดหนึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยตั้งมีดีตรงนั้นท่านบอกว่าคําสวดของพระก็ดีการที่เสษก็ดีมันย่อมไหลเข้าไปถึงขันนั้นด้วยแหน่เราไม่ส่วนใช่ไหม ที่ท่ประการควได้แนะนําถ้าบอกอย่าแต่ต้องอย่างนั้นเอาเศสินเข้าไปวนนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลกันก็ไม่ปวดเมื่อสายก็ตกลงท่านบอกอย่างนั้นแล้วต่อมาเจ้าขุบริการในหวัดก็คนกันท่านผูว่าก็เห็นชอบด้วยว่าเราไม่ได้ไม่ได้เรื่องของท่านนะของท่านอยู่ในบรโทรในขันสาครไม่ก็มีใบสีมีเศษสินพันธ <c oughs> ว่าเราไม่ต้องใส่เสียงอยู่ในที่นั้นเนี่ยอยู่ที่ดเดียวกันนั่งไกลๆแตไ่ไม่อยู่ในในส่เสียงเขาตั้งอยู่ก่อนเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยบ่เลอะขนาดนี้นใช่ไหมไม่กีขนาดนี้นะขนาดนี้เลยน้ำเต็มสองคนยกใส่เนีไม่ไปไหวนะ <S <S ท่านผู้ว่าการแย่หวัดก็เลยบอกเออถ้าไงก็ดีครับว่าทาที่จังหวัดน้ํานี่เป็นของจังหวัดเลยบอกว่าท่านผู้ว่าการมีทําที่วัดนะ ไอ้ยังหวัดยังไปก่อนังหวัดไว้ก็วัดนัน้นต้องคนครึ่งนะแตเลยเห็นชอบคัคับคับนลึ้นครับก็ไปน่านว่าการเราก็มีส่วนเห็นไหมเอาเอาส่วนของเราคือไม่แตะต้องของท่านของท่านเนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยนะแล้ในตอนนั้นก็ถามท่านว่าถามพระก็จะทํำยังไงหลวงเดชธรรมถุนไดก็บอกว่าคนที่มาเนี่ยมีคนอยู่สามประเภศ 1. ไม่เรื่อมใสในพุทธศาสนาสองเรื่อมใสแต่ว่าต้องการเปียกน้อยแล้วก็สามมีความเรื่อมใสต้องการเปียกมากค่อยเป็นไปตามติยาใสคนที่ไม่ต้องไม่เรื่อมใสไม่ต้องการก็เปลี่ยนเลยอย่าเชยแล้วก็ไปไม่ต้องเปลี่ยน้ก็ไปคนที่ต้องการเปียกน้อยก็ให้พระประมให้ี่ด้านหนึ่งท้างการเปียกมากไปถึงฉันจะตักขันลดหัวเลย ถ้าหลอดากันแหัวฉั้ก็ตกใหญ่แล้ถ้าคนเจ็บคนยี่สิบคนไม่เป็นไรฉันก็ป่วยใช่ไหมไปไปมาคืนวันที่หคืนที่ห้าหมดทีิตต์ตีสี่านบอกเอางี้ล้วกันไปที่กรุงเทพโดยขันเงินลูกเล็กๆกันต้องไปขายเงินขนาดนี้นะให้ทำกุ้มปากมาไปก้านซะหน่อยนะไม่ต้องป่วยตักเพื่นไม่ต้องก้มบอกแกกงกงเงงานไม่ดัเสียแต่แกเสรก่อนเมื่อมาป่วยอยู่นเดินออมาเดินไปเดินมานะ จะรองความว่าก็าอิทาบีทีทดีแต่ว่าในทิธีนี่เป็นหมายหนย่วยการดำเนาการอตอนินที่ที่เอสแท้แต่งเครื่องยนประดับดีอาพรแต่งไปเลยไงเครื่องยนต์นี่้าชาวบ้านก็แต่งเครื่องยนเหมือนกันคือกางเกงขาเดียวเสื้อแขนเดียว <c oughs> ใช่ไหแล้ว เ, เริ่มเวลาบนะ่ายโมงนะกเขาจะเสร็จก่อ เอาน้ำมนต์ออกจริงๆก็บ่ายสามโมงนี่พวกเราจะรับน้ำมนต์ได้ก็ในช่วงหลังนั่นนะนี่ใครไปก็เตรียมการขิวข้าวเย็นไว้ด้วยเ่าเนี้ยแล้วกันเขาผัดห อ, อไปขิวก็พักใส่ปากทมาม่าก็ได้ <c oughs> นี่ก็เมื่อวันที่สามที่หนะ้ามั้งไปหาสมเด็จองคะถม ท่านบอกว่าถ้าเล่าท่านวาพูดท่านน้ำภาคน้มนต์แต่ท่านบอ ก, นนบอกว่าถ้าคนอื่นภายนอกเขาถามว่านำมนต์นี่มีน้ำภาษอย่างไงให้ตอบก็ไม่รู้ถ้าคนภายนอกนะแตนถ้าลูกหลานถามนี่ยังไม่เครถาม <c oughs> ถามหรือยังเํามาคนละสิบบาทค่าตอบ <c oughs> โอ้โหยันรวยนะถึงนะถ้าลูกหลานถามให้ตอบว่าคนที่พุกจะปูแล้วว่าปูแลจะวิ่งเร็วขึ้นขึ้นไหขึ้นเร็วนะถ้าไหวตอบอย่างนั้นนะว่าคนที่พุกอยู่นี่จะโปูแล้ ว, วปูแลจะขึ้นไหวขึ้นเร็วรุ่งเรืองเร็ ว, รวอันนี้ถ้านมาบอกที่ดอนเมืองตอนธนมนนะ่ะรุงฟ้ามาวันที่สิบเอ็ดใครไปได้ก็ไป ไปไม่ได้โคจงจะไปยังไงเขาไปไม่ได้แเขาไปยังไงกินหมาันพูดถูกเลยไมหัวเราะไอ้โจอไอ้คนพูดถูกเดียวเขเราะย่อที่ก็ลงความวันตอนน้ถามว่ า, ถ, วาถ้าไปไม่ได้จริงๆก็ จ, จะไปไม่ได้เมื่อตอนเช้าก่อนที่ลงมานอนภาวนาอยู่ ก็พบองค์มาถมท่านแต่บอกเอานี้ก็แล้วกันนะคุณมาเที่ยวนาเดือนธันวาวันมาเมันมาวันที่ 11, สิบเอ็ดวันวันศุกร์ใช่ไหมในวันเสาร์พอที่สิบสามมาทิตหลังเที่ยงให้อาโมนมาปราบถมให้ก็ถามเรองอนุภาพแต่บอกอนุภาพไม่ได้เสื่อมแต่ว่าเทวดาไม่พร้อมถวันนั้นถวันนั้นมาหมดนี่เรื่องจริงวันนั้นมาหมดท่านมาหมดจริงๆเต็ม ก็เวลาที่โรงสวนเฉยก็เวลาที่ผู้ ว, ว่าวตัด ก, ก็มองไม่เห็นอ้ ว, วา่าหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาย เ, เห็นเทวดาไม่เห็นผู้ ว, ว่าบังหมดเลยในภาพกันเนี่ยก็เลยถามท่านประกาศพรบกว่านี้เทวดากับผร ม, มาหมดไหมรพระเป็นมาเขาบอกวิธีใหญ่มาหมดก็เว่นอยู่ไม่กี่องค์ที่เป็นภาพประจำองค์ของใต้องค์หนึ่ง ท่านทาวิธีเหมือนกันเทวดากับพรมิทราเข้านั้นแท่งเขาญาติไม่มาต้องไปช่วยทำโนนนอนนัดทำมาหมดในตอนตอนเช้าตอนจะสองโมงเช้าเขก่อนจะลงจะลงไปแพเพื่อทําวิธีตักก็ น, น, นึกในใจว่าตายจริงท่านเช้ามดืดแล้วเขาเรีบเกินไปตื่นขึ้นมาก็รีบจัดโนนจัดหนี่แล้วก็ฉันข้าวเช้าก็ก่อนเวลา ก็ลงมาด้วความเรียบร้อยรับสถานที่ลืมนึกถึงตาถึงเทวดาถึงสมพอจะถึงเวลาลงแพก็นึกนึกถึงพระถงเทวดาและสมนึกถึงองคตถมก่อนเห็นท่านปั๊บก็เห็นเต็มจักรวาลหมดท่านท่านบอกว่านี่เธอไม่ต้องเป็นนึกถึงใครแล้วก็มาก่อนดีเท่านั้นแหละเข้ามาแล้วตอเช้าตรู่แล้วเธอเธอถึงงานงานแต่ในเช้าไปยังนึกถึงเวลานี้เลย ก็เรารวมความว่าเป็นเอาวิธีกรรมในทุกสิธธ่ประทันั่นดีเอานี้ก็แล้วกันนะเป็นว่าเราก็ถือหาเลขของพระเจ้าหลวงท่านนะเรียกว่าเป็นน้ํามนต์บริวารเรียกว่าบริวารไม่บริวารพรเจ้าขันตั้งอยู่ในโบทแล้วนี่ประจําใช่ไหมไม่จะยกเข้าไปใหม่แล้วยังมีประจําเลยนะก็บังเอิญวิธีกรรมก็ตั้งอยู่ใกล้ๆต้องตั้งนํามประธานเหมือนกันพระสงฆ์ทรงสมณะสักสิบรูปท่านก็สวดมนต์ ฉันทรงความแก่ก็ไม่สวดละ่ะเป็นองค์ที่เสียดนะนั่งเฉยๆนั่งมองน้ำมนต์หอวงพายท่าน่ยไปเขียนเลขอะไรบ้างสงสัยว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ถึงเลยเวลาตอนนี้ไปก็วันนี้เริ่มวัตนต้นจะไปรอดจะไม่รอดไม่ทราบทองทอมเรื่องไม่ดีเนี่ยมัน วันนี้ก็ขออธิบายกรรมฐานง่ายๆเป็นความจริงกรรมฐานง่ายๆแต่ทำมันยากเริ่มกรรมฐานต้นคืออานาปานุสติวันนี้ว่าอานาปานสติรวดคำว่าอานาปานุสติแปลว่าลมให้ใจเข้าออกกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสาคัญมากเพราะว่ากรรมฐานทุกกอง ตาว่าจะทรงฌานได้หรือไม่ได้จะทรงสมาธิได้ไมันได้ขึ้นกับอนาปานุปติกรรมฐานถ้าอนาปานุปปิกรรมฐานไม่ทรงตัวสมาธิไม่เกิดและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอนาปานุปติรรที่มีความสาคัญเป็นพิเศษคันหนึ่งสามารถระงับความพุ่งสร้าของจิตนี่เป็นธรรมดานกรรมฐานและบริการในสอง สามารถรู้เวลาตายได้นี่ไม่ดีนะแค่ชานานจริงๆสามารถกำหนดเวลาตายได้แน่นอนคือไม่ใช่ไม่ใช่แกลงตายรู้เวลาตายนะเป็นกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานใหญ่แล้วนาปาลัตตริกกรรมฐานนี้ถึงคือว่าสำคัญเพราะว่าจิตจะทรงสมาธิหรอไม่อยู่อันอยู่ที่นี่กรรมฐานจริงๆมีสี่สิบกอง ในสายีกองต้องขึ้นกรรมฐานกองนี้เรงทำนี้ใหญ่มากเป็นแม่ปาฏิขณะนาป า, า น, นุตติธรรดาญาิโยญพุทธบัิญัตยยิท ร, รงได้ถ้าทรงได้แค่อุปจารสมาธิการป่วยไข้ไม่สบายทุกเวทน า, าทางกายถ้าจับอนาปาลติได้ถึงอุปจารสมาธิจะรู้สึกเบามากทุกเวทน า, าจะปรากฏกับจิตใจของเราเพียงไม่ถึงห้าสอร์เซ ให้เวลาที่ทุกขเวทนาครอบงํากายเวลานั้นสามารถภาวนาปานวุติได้ถึงวัตถุมิจฉานอันนี้จิตจะสงบอารมณ์ร่างกายจะรู้สึกไม่มีทุกขเวทนาเนี่ยสำคัญมากนะเรื<ม>่องความกรรมฐานตรงนี้มีความสาคัญเวลาทําจริงๆไม่ยากใช้ตามแบบอัตถิฐานสูตรง่ายหน่อยถ้าตามแบบกรรมฐานสี่สิบก็ยากหน่อย ว่าตามแบบกรรมฐานที่สิบก็ท่านทาเผื่อเผื่อตั้งสี่สีหมดวดเผื่อใช้ต้องสุขภพุตโกติวิชชนัตเญโยปิสันทะปัตโตฉะนั้นกําลังยังใช้กําลังละเอียดมากและหนักมากถ้าจะใช้กันแบบเบาๆแบ บ, บสบายเฉพาะสุขภพุตโก อ, กอย่างเดียวก็ใช้ตามแบบกรรมฐ า, านทั้งสูตร เพือกำหนดรู้ลหล่อแม่ใจเขาออกตามนี้เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแค่เข้ารู้ออกแค่รู้เข้ารู้ออกมปนอย่างหยาบใครแกล้งแกล้งนั้นไม่กลัวางเออหนึ่งสองสาม แบบผนก็มาไปดีนะแต่นี่ถ้าต้องการละเอียดกว่า น, นั้นก็ให้ใจเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยอย่านี้ถือประการละเอียดขึ้นในมหาสิาณสูตรก็มีแค่นี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าใายใจออกรูอ้อยู่ให้ใจออกให้ใจให้ใจเขา้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ ขณะใดที่จิตรู้ลมไม่ใจเท่ารู้ลมไม่ใจออกขณะนั้นเชื่อจิตมีสมาธิในนาปานสติในนาปาโนสติถ้ า, าจะเป็นฌานถ้าจะเป็นฌานลมไม่ใจจะรู้สึกเบาโลเบาลงกว่าปกติแ uh ต่ความจริงๆลมไม่ใจไม่ได้เบาแต่จิตจะแยกจากรสสารห่างออกไป จะมีความรู้สึกว่าลมหาใจเบากว่าปกติรู้สึกน้อยกว่าแต่กระดาเดียวกันโหูดินเสียงชัดเจนแจ่มใสามากแต่ว่าไม่ดาคาญในเสียงสามารถท่งสมาธิได้ตามปกติรู้ลมหายใจเขาออกได้ตามปกติไม่ดาคาญเลยเสียงดังแต่ไม่ดาคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมวิชาร์ใ่นี้เขาบ่า อนาบานุสติถ้าเป็นฌานสี่เขาตัดย้อ น, อนไ ป, ปยอดเลยถ้าเป็นฌานสี่จะมีความรู้สึกว่าไม่หายใจเฉพาะเวลานั้นนะ <c oughs> ความจริงหายใจนะแต่ว่าจิตกับวิสัช์แยกกันห่างเป็นแยกกันแตกจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องของวิสัช์เลยในร่างกายให้ใจตามปกติแต่จิตไม่ทราบมาให้ใจแต่ก็ไม่ดีนะแต่ว่าการอย่างนี้จะมีเฉพาะ ตอนบางครั้งบางคราวสําหรับท่านที่ไม่ได้ทรงฌานเะนี่ยสำหรับคนที่ทรงฌานเนี่ยก็สามารถบังคับได้ตามเวลาตามต้องการแนนาฬานุษย์ต้าว่าเราปฏิบัติได้ส่งตัวแต่ว่าวิธีปฏิบัติก็ลาบากหน่อยจะค่อยๆย้อนก่อนนิดหนะึ่งวิธีปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ของง่ายปฏิบัติจะไม่ยากแต่ว่าการคุมนาฬิกาไม่โฟนนี้เป็นไงมา การคุมเพราะว่าเวลาคุมลารมณใจเขาออกมีบางทีอาการอื่นเขาแทรกเข้ามาคําว่าอาการอื่นแทรกหมายความอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกบางครั้งเราคิดว่าจะคุมลารมณ์ใจเขาออกอยู่ระยะสั้นให้รู้อยู่ให้ใจเข้าก็ต้องการรู้ว่าใจออกก็ต้องการรู้แล้วาบางทีมันไม่สามารถบังคับได้ เริ่มจะทําจิตเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มจะทําจริงจิตเริร่มพุ้งซ่านคมไม่อยู่ถ้าคุ้มไม่อยู่จริงๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรงแนะนําไปสองอย่างว่าถ้าคุ้มไม่อยู่จงยาอย่าฝืนให้เลิกซสียก่อนทักไปเลยถ้าจิตมีลมสมบายยังกยทําต่อไปในวิธีหนึ่งไม่เลิกเป็นอีกหนึ่ว่าถ้าจิตอยากจะคิด เมื่อไม่สามารถจะลังคับให้ทรงตัวได้ก็ปล่อยมันคิดตามชอบใจมันอยากจะอะไรก็าตามเอาอารมณ์เข้าไปกลุมไว้พอมันเลิกคิดแต่ความจริงปล่อยมันคิดไม่เกินสิบนาทีไม่ค่อเลิกคิดเลยตอนนี้สามารถบังคับจิตได้ตามสบายจิตจะทรงตัวเป็นสมาธิได้ดีมากอารมณ์แนบสนิทละเอียดมากแตทวิท่าสาวิตีเนี่ยธรรมะเคยวิสุทธ์วิสุทธ์มาแล้วใครชอบพิธีหลัง ถ้ามันบังคับไม่อยู่จริงแล้วปล่อยไปคิดไปสักครู่เดียวมันก็จะเลิกคิดพอเราเลิกคิดเราเริ่มจับนาฬิกาทุติใหม่มันจะอยู่ดิงทรงตัวอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแบสบายๆเ น, นี่ยนี่ถ้าหาว่าสามารถสวนานาฬากาทุติยได้แต่ความจริงวิธีฝึกมันไม่บ้อนตอนได้แมกคุณจะใช้เวลาเน้นน้อยการคุมนาฬิกาถ้าคุมรู้นี้ได้เป็นชันกองเดียวและกองอื่นเป็นชานหมด ถ้าอุมนาปลานุติได้เป็นฌานถึงฌานไหนก็ตามสมมติถึงฌานสี่ถึงฌานนี้ต้องทําให้คล่องคําว่าทำให้คล่องต้องทําเสมอตั้งใจเข้าฌานเวลาไหนต้องได้เวลานั้นตั้งใจออกฌานเวลาไหนให้ได้เวลานั้นโดยที่เรามีนาฬิกาไว้แต่ไม่เหลียวดูนาฬิกาไม่ตั้งนาฬิกาปลุกพอเริ่มจะทําทสมาธิคิดว่าเข็มยาวอยู่ที่นี่เข็มสั้นอยู่ตรงนี้เราจะเลิกกับฌาน นั้นก็หลักตาไปเลยถ้าถึงเวลานั้นริงจิต ท, ที่เป็นสมาธิจะตกลงคุมไม่อยู่แล้วรีบเืิดตาดูลยตาจะตรงดียา t นี้ถือว่าเป็นการสอนจา์ให้ทรงตัวแบบนี้ได้จริงๆในกรรมาฐานอีกสามที่อีกสามที่เก้ากองเราสามารถจะทำเป็นสามที่เก้ากองกองละสามวันสามวันสามวั น, ว น, ว น, ว น, วนะเป็นฌานสีได้หมดนี่เป็นวิธีง่ายๆม่ยาก วิธไีไม่ง่ายแต่ขึ้นต้นอ น, นาพานตีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะใจคิดว่าเป็นกรรมฐานง่ายๆรู้แค่ลมหายใจก็ออกไอ้รู้นั่ไม่ยากแต่การที่จิตทรงตัวเป็นของยากวิธีฝึกที่ดีจริงๆตามมีสุตติมากท่านแนะนำแต่ว่าแนะนำต้องศึกษายากไปหน่อยว่นับหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับเป็นสอง <c oughs> ก็ได้สั้นไปสมาตอนี้อาตมาเคยทำแบบนี้เอาให้สั้นที่สุดให้ให้ใจเข้าจะออกนับเป็นหนึ่งถึงสิบก็คิดว่าในขณะที่หนึ่งถึงสิบเราจะไม่ยอมให้จิตคิดอยา่างอื่นเข้ามาแทรกถ้าจิตมีลมพุ่งสร้างระหว่างนั้นเราจะขึ้นต้นใหม่ทำแบบนี้ทุกวันพอสิบอารม์พอสบายส บ, บายอยทรงตัวอยู่ สามารถจะทําต่อไปได้เราก็ทําต่อทําต่อตอนนี้ถ้าจิตเริ่มพุ่งสัง้นเราก็เลิกเลิเลยถือว่าได้กาไรถ้าทําอย่างนี้จริงๆใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนทุกวันนะการทํานั้นไม่จําเป็นต้องนั่งเสมอไปก็ว่าฐานทําได้ถ้าศีริบทนั่งนอนยืนเดินเนื่งถ้าจะทำํำมาดีถ้ามีงานมากก็นอนได้เพราะ ถ้าเรากราบพระหรือก็พอสมควรไว้พระพอสมควรแล้วก็นอนเรื่รองภ า, า ร, ารนาเรื่องจับนาปานุติจะภาวนาด้วยก็ได้แต่ถือว่านาปานุติเป็นสำคัญเราจะภาวนาบทไหนก็ได้ตามใจชอบถ้าไม่ภาวนาจะรู้สึกว่าจิตจะว่างมากไปหน่อยบางทีไม่ชอบใจน้อยในเวลาภาวนาภาวนาบทไหนไม่เป็นไรแต่ว่าจะเรืองลมให้ใจเขาออกก็เราทํากอ น, นี้ ให้ใจเข้ารู้อยู่ใจเข้าใจออกรู้อยู่ใจออกอย่างนี้เป็นแ Burn ค่สิบคลั้งแล้วก็ปล่อยประหลับไปตามชอบใจแต่เพราเอินย่างสบายอยู่ก็อาจจะมาเคยนับสมัยก่อนหนึ่งถึงสิบใหม่ใหม่ที่สุดยุ่งมากนาทีหนึ่งถึงสามมันไปแล้วไปเหมืกันไม่จะไม่ไปเมื่อก่อนไปไปเก่งเหมือนกันเอาไปแล้วกว่าจะรู้ตัวอาจับใหมเริ่มต้นใหม่เทยวไม่ถึงสิบมันก็ไปแล้ว ถ้าไปแล้วพอรู้ตัวเริ่มต้นใหม่ท่านเข็ดบางวันก็พอเริ่มปั๊บมันจับปีนท่งตัวเลยอันนี้ไม่แน่นอนเรื่องจิต <c oughs> แต่ว่าถ้าหนึ่งถึงยังไม่ถึงสิบไม่ครบในรายยอมแพ้ไม่ใหญถ้าทําไปทําไปไม่ชาสักวันสักครึ่งเดียนกว่าต่อไปสามสิบสี่สิบห้าสิบมันยังอยู่เฉยแต่ม้นเข้าสองร้อยสามร้อยยังอยู่เฉยทรงตัวดีไมเริ่มทรงเป็นชานใช่ไหม ก็คือยาเร่งรัดในตอนต้นตอนใหม่ๆตองอนุโกมใจตามใจมันบ้างเพราะฉะนั้นว่ามีตอนหนึ่งที่มีความสาคัญที่บรรดาทั้งพุทธบริษัทไม่ควรจะทิ้งแม้กรู้ว่าถ้าเวลานอนรู้ลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาด้วยก็ตามถ้าภาวน า, วาได้จับลมหายใจเข้าออกสองสามครั้งมันเกิดหลับ ท, ทันทีจะหลับปล่อยเลยอย่าดึงเอาไว้ ทางนี้เพราะว่าจิตถ้าจะหลับจริงๆจิตต้องเข้าถึงปฐมฌามนไปอย่างต่ำถ้าจิตมีความสงบไปถึงปฐมฌานเนี่ยมันจะหลับไม่ได้อย่างนี้บรรดาญาโยมทุกคนเคยมีความกุ้มใจหมายความว่าจิตมันไม่สบายมีความกุ้มมนอนไม่หลับถ้าจิตเราสงบเป็นยังหลับข้อนี้ฉันใดยามปกติก็เช่นเดียวกัน นี่เวลาจเจริญกรรมฐานก็เหมือนกั น, ถ, กนกถ้าจิตเข้าถึงฌานแล้วมันจะตัดหลับแมันมีได้สองอย่างถ้าจิตมีกําลังกล้าเราจะไม่ยอมให้หลับก็ได้ตั้งในกาไ ว, วา้ว่าเข็มสั้นถึงตรงนี้เข็มยาวตรงนี้เราจริงจะหลับถ้าสุวนาณปาทติดได้เป็นคุมได้ทันทีคุมได้ตามเวลาเนี่ยจะหลับแล้วจะตื่นเวลาไหนไมิเป็นตามเวลาตอนนี้ถ้ากําลังยังไม่สามารถจะคุมได้ ถ้าภาวนาไปถ้าร่วมให้ลมหายใจก็ออกไปจะหลับล่อยให้หลับไปเพราะว่าขณะที่จะหลับจิตต้องเข้าทิ้งฌานเมื่อจิตเข้าทิ้งฌานฌานก็ตัดให้หลับขณะที่หลับลงไปเวลานั้นท่านพูดในวิสุทธิมาแ ก, กบอกว่าจะหลับสักกี่ชั่วโมงก็าตามคือว่ากายเขาเวลานั้นอยู่ในฌานนั้นตลอดเวลาถ้าตายในขณะหลับจะไปตามกําลังของฌานทันทีฌานก็มาทิ้งไปพรุ่ง เรีว่าเวลานั้นก่อนจะหลับเกิดเบื่อร่างกายขึ้นมาจิตใจมันเบื่อการเกิดมีร่างกายจะมดีความทุกข์กระไป็ต้องการมันอีกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ปัปปนาปาทุติไปถึงหลับกิจจะทรงทั้งสมถาวิปัสนาเพภะการเี็่าร่างกายไม่ดีเป็นวิปัสนาญาตัวสุดท้ายคือว่าเป็นตัวตัดอวิชชารวมความว่าถ้าจะหลับก็ไปหลับขณะที่หลับติชมโมงก็าตามถือว่าทรงฌานนั้น แต่วเวลาตื่นใหม่ๆไม่ต้องลุกพ น, นังถ้าไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะว่านอนแบบนั้นถ้าขยับตัวมากจิตจะเคลื่อนเริ่มต่อทันที อ, อย่างนี้ที่ว่าทรงต่อชานในตอนเช้ามืดอันนี้ก็เป็นผลกำไรใหาวันดาญาโยาค่ษบริษัททุกคนสามารถทรงอนาปาปนุติกุณชานได้ไม่แต่ชานต้นอุจจาระสมาธิโกาตาัมแยู้สึก็มอารมณ์มเป็นสุขมาก ความมุ่นวายของจิตจะมีน้อยถ้ายิ่ตชานาญ น, นาปานุติกรรมฐานมากขึ้นความมุ่นวายจะไม่มีเลยอารมณ์ต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าละจะารมณ์นั้นปั๊บละจากงานประเภทนั้นอารมณ์มันจะจับอนาปานุติก็จะไต่ความองคานออกไปรวมความว่าจิตเป็นสุขในอย่างหนึ่งและในกาลที่สองถ้าไม่ป่วยไข้ม่สบายอาการทางกายไม่เครื่องเกินไป สามารถเจกกาหนดเวลาหลับให้กับร่างกายได้กำหนดเวลาตื่นได้ตามต้องการและกับราการนีส้นสามารถอนับทุกเวทนาทุกเวทนาทางร่างกายปวดฟันปวดท้องปวดหัวปวดประสาทต่างๆเนี่ยถ้าเราจับอนาปานุติขึ้นขั้นขั้นอุปราชาอุปจารสมาธิยังไม่ถิงชานรู้สึกว่าจิตเป็นสุขแค่นี้ทุกเวทนาจะเบาลงเกินกว่าห0อร์เซ ถ้าถึงปฐมฌานขนาดนี้ถอนฟันไม่ต้องฉีดยาไม่รู้สึกที่ให้ฌานมันหลุดไปตอนนั้นถ้าฌ <c oughs> าหลุดไปตอนนั้นเราซวยล้โอโวยเสียงดังใจแต่ว่าผู้สูงฌานสามารถทําได้นะคือลองความว่านาความที่นี้พูดได้ก็สมถะนะถ้าเราจะใช้วิปัสสนาญาณคือกรรมฐานาานี้ไม่ต้องย้าย แต่แรกกองในใช้ได้ทั้งสมถะและปรัชนาในมหาปฏิฐานสูตรท่านบอกไปเลยใช้วิปัตตัญญาณไปด้วยถ้าเป็ น, ปาานวิปัตนาญาณหรือสนายานมีอะไรเพี้ถ้าอย่าง อ, อกก่อนก็นิจังทุกข์ขันธ์น้า ต, ตาใช่ไหมถ้าอย่างเข้มข้นก็ไม่เมาในโลกมนุษย์โลกทวืาโลกรมโลกไม่ดีสําหรับเราเราเป็นจการเราต้องการอิพานด้วยสนายานมีไม่มาก ที่ได้ใช้ไปเวทนาญาณเขาอย่างเชื่อชาวชอบคิดกันหน่อยก็ไอ้ดูลมหายใจเข้าออแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นมันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เราอยาก ใ, ใจเข้าใจออกอยู่นี่เรามีความสุขหรือความทุกข์ใช่ไหมแล้วอาการนี้แล้วร่างกายที่มีลมหายใจเข้าจะออกมาทรงตัวแล้วมันตายในที่สุดเย็นว่าลมหายใจเข้าออกของเรามันมีสภาพไม่เที่ยง พอไอ้ลมเข้ามันเข้าแล้วก็ลมออกก็ออกไปเลยที่เข้ามามันเข้าใหม่ไม่ใช่ลมเก่าใช่ไหมความไม่เที่ยงความไม่ทรงตัวก็มันมีอยู่ถ้าลมวิจัยเข้าทรงตัวเข้าลมต้องไม่ออกถ้าลมวิจัยออกออกแล้วก็ไม่เข้าไม่มีมลมเข้ามาใหม่แค่การทรงไม่มีการทรงตัวมันมีคือเข้าเข้าออกออกออก็เข้าที่อาการไม่แน่นอน ความว่าการที่ทรงตัวมีลมหายใจเขาออกอยู่แปลนี้จังหาความเที่ยงไม่ได้ขนาที่เรายังมีลมหายใจเขาออกอยู่ชีวิตยังไม่ตายอาการทั้งหมดเต็มไรื่อความทุกข์ถ้าใจหมูกเราเกิดคัดใจหมูกขึ้นมาเขาหวัดความหนักใะลมหายใจเขาออกจะมีการปั่นป่วนในประสาจะมีตัวนี้เป็นตัวทุกข์ แล้วก็นอกจากลมหายใจเขาออกถ้าปกติร่างกายมีความหิวความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์หนาวเกินไปก็ทุกข์ร้อนเกินไปก็ทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์พัดพราดเจ้ของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์รวมความขั้นหนะที่เรามีลมหายใจเขาออกอมันเต็มไม่ได้ความทุกข์ทุกลมหายใจก็ออกไม่มีความสุขนี่เป็นวิปัสสนาญาญขั้นต้นตัวที่สองต่อไปค้าหน้าตา สภาพของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจเข้าใจออกลมหายใจออกไม่เมื่อมันออกแล้วมันไม่กลับมาใหม่สลายตัวไปเลยเป็นนัตาและกระบวนการในสองร่างกายของเรามีสภาพแป็นัตาทุกวินาทีวันเวลาเคลื่อนไปเท่าไรก็ตามทีความเสียงร่างกายก็ปรากฏเคลื่อนไปหนึ่งวินาทีแล้วก็แก่ลงไปหนึ่งวินาที เกิดป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วแก่เป็หนึ่งชั่วโมงในเมื่อความแก่เข้ามาถึงจะเรียกความหนุ่มความสาวกลับคืนมาไม่ได้มันไม่กลับคืนมาใหม่มันก็แก่ด้วยไปอันนี้ที่ว่าเป็นอนนี้จังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าเป็นอนัตตาอนัตตาคือความเป็นหนุ่มความเสาวสลายตัวไปแล้วหรือแต่ความแก่เขามาครอบงำอนัตตาตัวสุดท้ายคือร่างกายพังกรุ่มความว่าเราชะอนาปานุติเป็นสมถะด้วยเป็นเวทนา่างด้วย ในเมื่อเมื่อร่างกายมีสภาพพังอย่างนี้เราต้องการอะไรมันอีกร่างกายประเภทเร็วๆอย่างนี้ต้องการมันเพื่อปอระโยชน์อะไรถ้าเราไม่ต้องการร่างกายและกินเลนสยังมีอยู่ก็ต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะในการเกิดในวัฏฏะจะเกิดที่ไหนละ่ะนรกก็ดีเปรตก็ดีสุรกายก็ดีสติชัยก็ดมีมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้ทุกข์มากหากยมาเกิดเป็นคนก็มีทั้งสุขจง ท, ทุกข์แต่ทุกข์มากกว่าสุข ความสุขมีอยู่บ้างแต่ความทุกข์มันมากกว่านั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ทำงานก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ถายจำระปัสสาวะก็เป็นทุกข์มันเต็มได้วยความทุกข์ถ้าอไรจะเกิดปีติวดาหรืผมวัตตะมันวนอยู่ตั้นถึงรูถึงพรหมพอถึงเทวดาก็ดีถึงพรหมก็ดีมีความสุขที่ร่างกายเป็นทิพสภาวะต่างๆทุกอย่างเป็นทิพย์หมด คำว่าทิสัพทิพก็แปลว่าเล่นทุกอย่างทําเป็นเล่นเล่นหมดอย่งร่างกายเทวดาและปุ่มีท่านไม่มีคําว่าแก่ว่าเกิดขึ้นไปใหม่คําว่าเด็กก็ไม่มีเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีวันแรกเกิดเปด็นเทวดาแลือปมแล ะ, และนางฟ้าก็ตามวันแรกมีลักษณะอย่างไรจะทรงแบบนั้นตลอดไ ป, ไปยิงกว่าจุติไม่มีการเคลื่อนนี่ท่านมีความสุขทางร่างกาย ทั้งด้านจิตใจก็มีความปรารถนาสมหวังมีความสุขความหนาวก็มีความร้อยมีความหิวความกระหายก็ไม่มีทุกอย่างอย่างเราทำไมมีมีความสุขจริงๆแต่ว่าเทวดากับผมมีความสุขชั่วขณะเดียวในขณะที่บุญกุศลทําไว้ให้ผลบุญกุศลยังให้ผลอยู่ก็เป็นเทวดากับผมต่อไปได้ ถ้าหมดบุญวัฒณนาบารมีอย่าเป็นผมเลยก็กําลังชายกําลังชานหมดแล้วไปเป็นไปถึงธรรดาแล้วนางฟ้าจะกําลังบุญําลังบุญหมดก็ต้องจุติถ้ามาเกิดมนุษย์เป็นก็ทุกข์ถ้าจะเกิดในอบายภูมิก็ทุกข์หนักกว่านี้แค่นั้นใ น, น, นเหมื่อเห็นว่าร่างกายมันไม่ดีแล้วก็คิดด้วยปัญญาวันนี้ไม่ญาติโยมมาพูดด้วยปัญญาว่าปัญญามันไม่เกิด แต่ความจริงถ้าอยากจะคิดว่าปัญญาเนี่ยไม่เกิดธรรมชาติปัญญาจริงๆหาความเป็นจริงแต่กายเกิดสมุติมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปที่เป็นเทวดาแล้วผมก็ทุกข์ต่อไปพักทุกข์ด้วกรามหมดกลับมาทุกข์ใหม่ก็ไม่ต้องการท <c oughs> ุดที่เราต้องการจริงๆก็คือนิพพานนี่นิพพานจริงเข้าไปในแบบไหนการจะไปนิพพานจริงก็มีตัวเดียวต้องศึกษาในสัโยชน์ การเจริงกรรมฐ า, านนี้ถ้าไม่ศึกษาสัญโยชน์มันไปไม่รอดออกจากกลุ่มของวัตตะไม่ได้สัญโยชน์มีสิบคือสกายยติทิวิฏฐาศรริลปตตาปรามาตกำราคะปริคะอุปราคะอรูกำราอูปราคะมานะอุธจาวิชารู้เรื่องไหมฉันพูดในฉันก็ไม่รู้ไสัญโยชน์มีสิบ ในการรากกิเลส ต, ต้องตัดทั้งสิบเพื่อจะไปนิพพานได้ <c oughs> ในวิธีตัดจริงๆเขาไม่ตัดหมดสิบเขาตัดตัวเดียวสกายยะทิฏฐิตัวแรกเท่านั้นวิธีตัดสกายยะทิก็ดูแต่กําลังเขาไม่โสดาบานันสนสิธากรรมมีถ้าปัญญาเขาไม่โสดาบานันในสจกากรรมมีก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็เหมือนกับสมถะภาวนา ถ้าเป็นกำลังครับว่านาคามีเมื่อร่างกายเต็มในความสงบสงบในความเบื่อในกวามลคุณถ้าเป็นกำลังพระอรหันก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเพราะฉเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรากําลังไม่เท่ากัน <c oughs> ในวิธีตัดจริงๆให้ตัดสัดกายยันตีในร่างกายอันนี้ก็ขอนํำมาถ้อยคาําำภาษาดิบ ท, ที่กล่าวกับพระในวิลายจิตปฏิทีนาทีเนี่ย ไอ้การระพระคือพระประเด็นกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเพราะพระุทธเจ้ามาสอนแบบย่อต้นต้นถึงนิทานเระหรันสอนเสร็จบรรดาพระผู้หลายพวกนั้นก็เวลาพระเจ้าจะเข้าไปฝึกกรรมฐานในป่าพระเจ้าทรงทราบว่าตาพระพวกนี้ไปลาภาษาดิบดแต่ความจริงพระท่านเปนัดกันนะภาสาดิบจะพูดว่าอย่างไง แต่ใครถามพระท่านหลายว่าเธอเวลาสารีบุตรและไรอย่างพระก็บอกว่าอย่งางพระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าอย่างั้นเธอจะไปป่าก็เวลาสารีบุตรก่อนในพระบุญนั้นก็เวลาพระสารีบุตรไปถึงพระสารีบุตรก็แนะนําต่างๆตั้งแต่เบื้องต้นที่อราอ่านเหมือนกันพระคุนั้นก็ถามย้อนถามว่า ผมยังเป็นปุถุชนอยู่ถ้าต้องการเป็นปะโสดาบันนั้นสิกาคามีจะทำยังไงอาสานี่เปิดก็บอกว่าให้ตัดสกายานิตริคือการหน้ารูปเวทนาเห็นนั้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาทั้งขันมิญญาณถ้าเธอตัดตัวนี้ได้อย่างหยาดเธอจะเป็นปะโสดาบัน ถ้าละเอียดปีกหน่อยจะเป็นพระสทธิทาคามีถ้ากรถามถต่ว่าในเมื่อผมเป็นประโสาบิกิทาคามีแล้วถ้าต้องการเป็นนาคามีทําแบบไหนเราตัดตัวเดียวตัวนี้แสกด้างกายกันห้าคือรูปปุจนาสัญญาดัวยคามียานี่แลหละถ้าละเอียดลงไปถึงการเบื่อหน่ายในร่างกายใน ร, ร่างกายที่มีความสุขกระปร๊กโศกดูตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตละเอียดลงไปตัวจะเป็นนาคามี แล้วก็ถามว่าถ้าผมแป็นนาคามีแล้วทำยังไงจะเป็นพระอะไรนต์แบอกว่าตัดตัวเดียวยังต้องเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เราเป็นเจของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราจิตวางเฉือนในร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอืน่นก็ดีไม่เห็นมันเป็นสาระมีประโยชน์มีความรู้สึกตามธรรมดาเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในธรรกลายมีความตายเป็นนาทีสุด ร่างกายที่มีความสุขภพโซ ก, กเราไม่เกลียดร่างกายที่เราไม่ต้องการร่างกายคือจิตวางเฉยเวื่ความมีอารมณ์สงบภาวะสงบหม้ความยังไงหมาว่าร่างกายโซป ก, กไม่คิดแล้วตอนนั้นคิดตอนเวณาคา ม, มีตอนไปรหัสนี้เขาเฉยเขาเรียสังขารุเปฆายานวางเฉยได้สังขารทั้งหมด สังข like ัยของคนสังขัยของสัตว์สังขัยวัตถุวางเฉยหมดไม่ยินดีและไม่ยินไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าวันจะป่วยก็ถือว่าการเกิดมาเพื่อป่วยจะป่วยก็เฉยถ้าเห็นถึงนึกถึงความแก่ก็เกิดมาเพื่อความแก่เมื่อแก่จะแก่ก็เฉยแก่ไปตามสบายถ้าถึงเวลาเนี่ยตายพอดีแล้วฉันจะไปนิพพานจากก็หมดเรื่องกันกรโลภาว่าเป็นนวัตการตกีเดชจริงๆในสังโยชน ให้ตักตัวนดียวที่ร่างกายไม่ต้องไปไล่ตัดทั้งสิบเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเรามีแต่ร่างกายร่างกายไม่มีเราแต่ข้อนี้ลำบากนะเป็นอารมณ์ผลาญอารมณ์ตอนต้นก่อนนี่่าร่างกายนี่จะต้องตายชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนทนธรรมกรามมีการสลายตัวเป็นในทีสุดคิดว่าชีวิตนี่ต้องตายแน่ ต้องปฏิบัตินึกถึงคำที่พระเจ้าทรงสอนในเรื่องเปรษการีว่าเธอทั้งหลายต้งเห็นว่าชีวิตเปของไม่เที่ยงในวความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทต่ชีวิตคิดสร้ในความดีเครื่องความว่าการเจริญอาณาปานุติกรรมฐานก็ทําได้ทั้งสมถะยุิศาสนาลืมไม่ได้วัาต้นในตอนต้ น, น, นก็นมีว่าลงรู้ลงให้ใจเข้ารู้ลงให้ใจออกอย่างนี้เป็นอย่างยาว ยาวละเอียดให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเอาอกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้ไม่ต้องภาวนาไม่ต้องพูดตามนะรู้เราไม่ใจเข้า อ, อถ้าสั้นหรือเ ร, ร, รอาก็รู้ว่าสั้นยาวรู้วยาวเอาติดกระเพาะมดรู้ตอนนั้นอย่าภาวนาด้วยก็ได้ตอนนี้เป็นสมถภาวนาและวก็เพิ่งทราบอานิสงส์ว่าทุกเวทนาจะบรรเทามากในเมื่อมีทุกเวทนาเกิดขึ้นทางกายยังพวยแค่ไม่สบาย ถ้าจับอนาบาลุติได้ถึงอุปจารสมาธิพุกเวทนาทั้งหมดจะเหลือไม่ถึง 50% ซถ้าจับได้ถึงวัตถมมิจชาเนรมเวลานั้นพุกเวทนาจะไม่ปรากฏเลยเหมือนคนปกติดีไหมดีไห ม, ไหมแล้วก็เวลาจะตายสามารถรู้เวลาตายนี่ไม่คป็ดีรู้เลกหัยดีกว่า แต่คําว่ารู้เวลาตายไม่ใช่ตัวเองมันรู้ว่าจะตายใช่ไหมถ้ามีบางองค์ที่ท่านมีความํานาญมากท่านใช้การเดินจงกรมพวกนี้มีความเมข้มอนาบาลุติที่ทำให้เมีลมเข้มแข็งรถไฟสายก็เข้มแข็งท่านขีดเส้นไว้แต่บอกว่าถ้าผมเดินมาถึงตรงนี้เป็นที่อสามผมจะตายตรงนี้การเดินเข้าชายเดินในชายพอถึงที่สาวก็ เสี้สยดิษฐานปั๊ถึงเส้นยืนตัวแข็งโดดเดือดร้อนพวกเรา <c oughs> ยืนตัวแข็งนั้นไม่เดินต่อก็ด้วยไปเลยไปทันทีอันนี้เรื่องอานาปานติหมายความการไปของท่านไปแบบสนุกสนุนแบบเสน็นเส้นเล่นใช่ไหมการทรงชันแบบนัน้บบนถ้าไปได้แบ บ, แ, บบ แ, บบแบบนั้นถ้าไม่จะเป็นชานโลกีก็สามารถทําได้ถ้าไปได้อย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นชานสีก็เป็นถ้าไม่เป็นพระยะก็พรมธนิกาว เสี้ยวทันยานจบนามาแล้วปีปีปี ป, ปีมาแล้วตอนนี้ไปของดาญาชนพืทอศัทุกคนได้เวลาแล้วตั้งใจสมาทานกรรมานสมาทานชินนะ่ะ